ปัญหาข้อที่20เสียงของโอปปาติกะออกมาจากแต่การติดต่อทางวิญญาณตามที่เอสเทลโรเบิร์ตได้บันทึกไว้นอกจากการเข้าทรงซึ่งเสียงของโอปปาติกะที่มาเข้าทรงผ่านออกมาจากปากของคนทรงแล้วยังมีอีกวิธีหนึ่งคือเสียงผ่านออกมาจากแตร ى. วิธีการชนิดนี้ในเมืองไทยและที่ไหน เท่าที่ทราบไม่เคยมีปรกากฏฉนั้นจึงนับว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากทําให้คิดว่าเรื่องอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้และเมื่อข้าพเจ้าได้เรียนถามโอปปาติกาองค์หนึ่งซึ่งโดยปกติข้าพเจ้าได้ถามอยู่เสมอเป็นประจำและท่านก็สามารถที่จะตอบได้เกือบทุกอย่างแต่พอมาถึงเรื่องนี้ท่านยอมรับว่าท่านไม่เข้าใจและไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้และตัวท่านเองก็ทํามไม่ได้ แต่ถ้าจะให้สันนิฐานก็พอจะทำได้แต่จะผิดหรือถูกท่านไม่รับรองเพราะไม่มีความแน่ใจและเมื่อข้าพเจ้าได้เรียนถามท่านเมฆแดงท่านก็บอกว่าท่านทำได้จริงๆตัวอย่างต่างๆที่เอสเทลโลเบิร์ตได้บันทึกไว้นั้นเป็นความจริงทุกประการแต่ท่านก็ยอมรับว่าท่านอธิบายเหตุผลไม่ได้รู้แต่ว่าทาได้และไม่เคยทากับคนอื่น นอกจากเอสเทลโลเบสหมายความว่าในการแสดงแต่ละครั้งจะต้องมีเอสเทลอยู่ในที่ประชุมด้วยเสมอจึงจะแสดงปาฏิหาริย์ต่างๆออกมาได้และท่านก็ได้บอกว่าในระหว่างนี้ส่วนมากท่านก็มาจะมาหาข้าพเจ้าเสมอและในขณะที่ข้าพเจ้าทำการสอนหรือนั่งสมาธิก็ตามท่านก็ได้พยายามที่จะแสดงปาฏิหาริย์บางอย่างออกมาเพื่อให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ความจริง แต่ก็ปรากฏว่าไม่มีผลอะไรออกมาซึ่งท่านเองก็ยังไม่เข้าใจว่าที่นี่ทำไมจึงทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อข้าพเจ้าขอร้องที่จะให้ท่านได้แสดงปาฏิหาริย์อะไรบางอย่างท่านจึงบอกว่าขณะนี้ยังทําไม่ได้แต่อย่างไรก็ดีโอปปปาติกะอีกองหนึ่งซึ่งท่านบอกว่าในเมื่อจะให้ยอมรับว่าท่านเมฆแดง สามารถทำให้เสียงของท่านปรากฏดังออกมาจากตราได้จริงทางที่จะอธิบายได้ก็มีดังต่อไปนี้โดยธรรมดาบ ร, รุยากาศในประเทศต่างๆย่อมมีไม่เหมือนกันโดยเฉพาะในประเทศอังกฤษซึ่งเป็นประเทศหนาวการที่เสียงจะออกมาโดยผ่านทางตรานั้นอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับบรรยากาศซึ่งไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะแต่ในเรื่องอุณหภูมิเท่านั้นแต่หมายถึงว่าในพาหุราากาศ โดยรอบบริเวณที่มีการเข้าทรงนั้นจะต้องมีกระแสะคลื่นต่างๆเช่นคลื่นแสงคลื่นความร้อนคลื่นเสียงคลื่นแม่เหล็กและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือกระแสะคลื่นที่มาจากวิญญาณของคนทรงและกระแสะคลื่นวิญญาณที่มาจากโอปปาติกาทั้งหลายที่มาชุมนุมกันอยู่ในที่นั้นและก็อาจจะมีคลื่นวิญญาณที่มาจากโอปปาติกะซึ่งอยู่ไกลห่างออกไปมากส่งมาด้วยก็อาจจะเป็นได้ ในเมื่อคำนึงถึงบรรยากาศซึ่งประกอบไปด้วยคลื่นต่างๆดังที่กล่าวมาซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วคลื่นเหล่านี้ย่อมมีส่วนช่วยทำให้เสียงปรากฏออกมาจากแตร ى. เพราะฉะนั้นในเมื่อบรรยากาศในประเทศอังกฤษแตกต่างจากบรรยากาศในที่อื่นจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ที่การแสดงปาฏิหาริย์ต่างๆอาจจะทาได้ผลเฉพาะในบางที่ส่วนในที่อื่นที่บรรยากาศไม่เหมือนกันก็อาจจะไม่มีผล ข้อความที่ท่านกล่าวมานี้ท่านบอกว่าเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้นและในเมื่อข้าพเจ้ากราบเรียนท่านเมฆแดงว่าข้อสันนิษฐานดังที่กล่าวมานี้ท่านมีความรู้สึกอย่างไรความจริงอาจจะเป็นไปนตามนี้ใช่หรือไม่ท่านตอบว่าท่านไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ท่านเป็นนักสัยาศาสตร์ความจริงอาจจะเป็นเหมือนอย่างที่สันนิษฐานนี้ก็ได้หรืออาจจะไม่เป็นก็ได้ข้อนี้ท่านไม่รู้ เป็นอันว่าปัญหาในเรื่องนี้ข้าพเจ้ายัางไม่ได้รับความกระจ่างเพราะฉะนั้นจึงขอตอบไว้เพียงแค่นี้ก่อนต่อไปถ้าหากมีข้อเท็จจริงอะไรหรือข้าพเจ้าได้เหตุผลอะไรที่จ่แจ้งยิ่งกว่านี้ก็จะนำมาเขียนใหม่